จะให้พูดจ้าในธาณะไหร่เพื่อนก็ไม่ใช่สนิทกันก็ไม่เชิงแม้เธอมีใครก็ยังลงไหลในความร่าเริ่มและใจก็แอบยุ่งเยิงทุกครั้งที่เจอหน้าเธอ ฉันอยากเอาใจทั้งใจแลกเศษเสี้ยวใจของเธอความรักงดงามเสมอแม้เป็นแค่เพลิดแผลบวังหากเธ อ, อยังมีที่ว่างข้างในหัวใจแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมในวันที่เขาไกลายห่าง ไม่ต้องมากมายแค่เงาก็ลองคิดถึงกันบ้างเติมใจที่มันอ้างว้างแค่นี้ฉันก็สิ้นใจตั้งแต่ได้หลายอยากส่งข้อความถึงเธอพิมพ์ไปลบไปเสมอเพราะข้อความตรงใจเกินไป เหลือเพียงสันๆว่าคิดถึงและอ่วงใหญ่มากกว่านี้คงไม่กล้าใช่ทั้งที่ใจฉันรักแต่เธอ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 ไม่ต้องมากมายแค่เหงาก็ลองคิดถึงกันบ้างเติมใจที่มันอ้างว้างแค่นี้ฉันก็ซึ้งใจตั้งแต่ได้หลายอยากส่งข้อความถึงเธอพิมพ์ไปลบไปเสมอเพราะข้อความตรงใจเกินไป เพียงสันๆคิดถึงและบ่วงใหญ่มากกว่านี้คงไม่กล้าใช่ทั้งที่ใจฉันรักแต่